I don't know what t สายๆเราทำเป็นไปว่าเกิดเราเราจะเด็ดทำอะไรเราจะจะเด็ดอะไรหลักอยู่ในใจดูแต่จุดใจเราไม่ชิเข้าไปรื่อยๆไปยาวเลยปอัยไปเีแล้วก็ยังไม่ถึงมีจตั้งๆตั้งๆเรืงเส้นเลยจนดจุดมันเยอะๆวุดใจยอะเลยเวลาเราตั้ง ใจจิตใจเที่ยวแรงอารมณ์ตั้งยาวอารมณ์ตัางหนักจิตใจตั้งตัวอยู่แต่ตอนแรกเนาะไหลพาละของเราหยุดตั้งอย่างเลยเหมือนกันกับเราไหลพาละเอาไว้ฝนตกเรามาจัดไฟฟ้าไม่ก่อนนะถังหยุดพาละของเราหยุดตัวจัดถังละอืมพาละของเรา เราใจของเราแล้วก็เราเขนมาเขาเลี้ยงเาสลัลับเลือดก็ได้เลี้ยลี้ยจะแข็งลืดข้ผมจะเป็นหลักขาดไหน้วาจะแลาเราจะขีนขาดไปมันจะแห้งไปจางจางอักาทำจาคุณจากอาการก็ถ้าเดาโยกันแล้วต่างจิตไม่สบยเเราางจิอะไรไปแต่เราแตเร ทำอรก็ไปต่างรร้ายเมื่อน้อมังินน้อยจะทุ่งอ่อนแอบนิดทั่ทมาถี่ากเราท่านหรืสามาถี่จะเจ็ดจังลมมาที่ได้ที่ใจเราหัวเสียถอแต่ทำมาแล้วผมย้ำกักับยาหรืออาหารยาหรือรูร้ายระเท่วเพราะโรคของคนเราหลายอย่างยังเ็มจะต่อเพขึ้นร้ายระเที จจแก้ไโรคภันะุคท to ี่เป็นรคอย่างนั้นหาไปอาหารจะเ้ยงกันเรจะชอและจะเป็นชอบทานอะไรไปดีถ้าจหารทกันทุกคนเลยจเป็นทไปอยางทตลาดเลยงานของาทั้งหมด เราเ็นโรคอะไรต่นนั An al, like, ้แ so. ล้วะไรรับทานเพื logr, ่อแก้ไขโรคไปอาหารไปอาหารต่อยอดไปไปซื้อเอาหมกในคาตาคารอาหารอะไรที่เาชอถูกกับตาเท้าของเราเราต้วงซื้อเอาเารับทานความอ่เหมือนน้ยังจะเกิดขึ้นเวลาทานอาหารนะกินยา ปลอดภอยจริงดีเลยตัวขเราต่ออาเ้าอ่างนี้หายไปได้เมนเราเดียวกันเพราะการสต้อพูดใจใจจริงดีหน้าจะดเลือดใสทุคนเลน้าถึงจึเหียกวันลนาิตางจิใจเหนือกันแต่ถึงอย่างไรแต่ามทุกคนจะเกิดมาจากทแเลไทยึกไทยสัน ความสุขความสนายแล้วในวาจะเป็นรักบลือดยพลว่าวจะเป็นขาดชั้นรันแน่ไหลใจตาเต้าตาควาราสุขความสนาแต่วิธีที่จะทำให้ตัวของตัวสุขสบายแล้วลรวจะทำอย่างไรปกติของคนในชีต เป็นตัวการขั้นไ่จิตใจทำให้เราไข่เกิร่างเงินยาทั้งจิตใจเราโลภใครอะไรหยียนเยิดใจจิตจิงจไปตามร่างาลของโลก้าะจิตใจทำจิตใจหย่ยนร่างเงินยาขาดข้อก่อควาตัวเองในวาระการเหยอเยินใจิตควเราจะตั้งกัหลบจิตใจขห้เรา เห่ว่าอารมณ์สัญญาแห่งนี้เคยเกร่ยวควรจิตใจมาเคยเอดด้นไมิจารณานะเละยะยาวแล้วกไรที่จะทำจิตใจให้สงบผ่อนผัได้จิตใจไทยอไรจะยิ่งห่นยังเดือร้อนเ่เป็นอย่างไรควรเห็นเดจิตใเสมอ เํากำหนดใจอยู the the cool er the the the the ่โดยจัดดันเราจะกำหนดจุดพิชโตของเหตุพิชโตสัมผัสอยู่กับจุตจุตคือพิชโตอยู่ใจันทร์เหนอเกี่ยวข้องจสัญญาเรียนจิตกดขึ้น้รอผ่านมตายแล้วพเจารณาตาแล้วกำหนดจุดพิชเตอยู่จุดกับสัมผัสกับพทชโตอยู่ผลคือฝึกงานข่ายงานข่ายมันจรวมเลย เราห็นในเรื่องอะไรเอดเรมนั้ปกติธรรมดาเป็นสิงาเาคยศึกษาเราอบรมเรายปฏิบัติเเคยเห็นเคยเป็นมันฝึกมันเยันเปลี่ยนเปลี่นเสียขนาดไหนเปลี่ยคนจ หนึ่งเราได้รับถูกมากกาหาความสุขใคร่รอดมากกวาเรืองของจิตใจของตัวเองจะเกิดหมดเส้นดังให้ได้อนนั้นมันยอยากอันไหนมันเลยมีอะไรที่เรารให้จิตใจแตกออกไปทะเลากมันเป็นอย่างนี้เมื่อนาปฏิบัต ทำสูพระพุทธเจ้าสอนใส่เลยดูตัด้ใส่เลยกำหนดส่งใดสิ่งหึ่เป็นบบของธรจิตใจเราสัมผัสอยู่แล้วเยเงยไปลอยไปสัญญาเร็ไปใส่บ้าจิตเย็นจิตสบายอย่าเคยเห็นเคยเป็นแต่ไไรมาจึงเห็นเป็นสิ่ในระยะที่เราทานอยู่แล้ว ใจของเราจะเกิดความเชื่อมั่นความฝึกอันนี้เรีใรในโลกที่ได้เปพนผู้ปฏิบัติจะรู้จะเห็นจะมีนทางเข้าขข่งหน้ า, า, างาตาเจ้าขนาดไหนก็ไม่เห็นเหรอรู้ถ้ราเราดดูดูข า, า, ายกันใาที่ต่างๆในทาตลาดนอกจากผู้ปพิบัติปฏิบัติเหรอยิ่งจะรู้จะเห็นถ้าทุกคนเห็น ไม่เป็นอย่างนี้ความตืนเป้นด้วยความแสางหาความสุขให้หรอกคเหนือยเื่อพราะความสกเสี่นนั้นกับความเป็นความเห็นในจิตในใจที่มันเกลงไปนี้มันผิดกันเหมือฟ้ากับดินไกลกันมาความสุเกี่ยนนี้เป็นความสกกที่ละเอียดอ่อนเป็นความสุขที่เหื่อยอนเป็นความสุขที่ คนถั่วไปต่างตแต่ใช้เห็นความเยนเย็นย่านี้ให้่่ตามถุต่างหาความสุขในรูปในเสียงกลิ่นรสไต่ถ้าเาจะนึกความสุขในราาัเข้าใจว่าจิตใ่านี้เป็นอย่างนี้เย็นอย่างน้สบายอย่าง้สุขอย่างนี้เนเราเห็นเราเป็นอยู่ ผู้คนทั่วไปเงียคนจะมีเงื่อไหลยส่สันอะไรนั่นเขจะพจ้าริ้าใการฝึกปฏิบัติพแลกันถึงเขาเห็นอย่างนั้นเขาจะยิ้มยิยมหาเรื่องอินมาเป็นเรื่องความสุขถ้าเขาเห็นแคเป็นละทุกคนจะตั้งจิตใจชอบใจ ความฝุกทายในความสุกฝึจิใจถอถอนใจจากอารมณ์ปัญญายุ่เรือปัญหาเป็นความฝึกผิวยืดเส้นโเส้นอย่ในเห็นในส่วนในส่การทำบำเพ็ญใจลามันจะเห็นแต่เป็นถั่วใจคนใส่ใจทำแถานั้นจะเห็นจะเข้าใจในเรื่องของความฝุกทางธรรม อย่ามีความึกทางธรรมอยู่ในจิตในใจแล้วจอยูอย่ถถานคือใดไปสถานคือใดความฝึกใจนั้นอย่าฝึกแค่โตคือฝึกเวลาไปก็ฝึกเวลาอยู่ก็ฝึกอย่มีทุกข์อะไรที่จะมาเยอะใส่ใจสิจใจเทตัว พความสงบอนนันนั้นมันมีอยู่ในะจะิตในใจจะท่านสงบแล้วะจะท่านได้กต็ ต, กต้องอาศัยการจะคิปฏิบัติถ้าจะคปฏิบัติยังกลเห็นจะอ่านตำรับตำรลึกเข้าต า, า ล, าลึกขลับไหลถ้าหากในฝึกใจเรื่องความสงบฝึกอย่างนั้นจะไเห็นหรื อ, อถ้าหาเราฝึกเราปฏิ บ, บงงัติจิตใจของเราเอาปฏิบัต่อ ดูแลรักษาอารมณ์ปัญญาต่างๆที่เกิดขึ้นหรือผ่านมาอยู่ตลอดระยะเวลามีปัญญาเลี้ยงสอนะมาจิตตา้งโยกข้ากับอารมณ์ปัญญาต่างๆที่เกิดขึ้นหรอางผ่านหรอสาจะกำลัอยู่ในบทบบญญิาเช่อะไรหรือเหนืออะไรสิบยงเหนเยเรียนเรจะทำอยู่อย่างนี้เดี๋ยวหานตัวขอะไรย่างนี ใจใหม่ทำจริงจจิตจิตเลยเหรอเดือดทุ่งเลยจิตใจใจลมพัดเข้ามาจะอ่อนเปลือยเลยสงบมากมีหยิบื่อนจิตใจจะเชื่อไหมใจจะพิจารณาเพื่อเห็นความสงบเย็นในใจความจิตมันมีอยู่ที่อื่นม่อยู่ในใจของเราแทนถ้าเกิดเธอเมาร้อน แา้วอกแต่เป็นความฝุ่นั่นคือในห่วความฝุ่งภายในนั่นจึงเปลนลมเหนื่อยเกาะเขีวัดถุกจังหลี้ยงหรอกแต่ห่วงความฝุ่อยู่ภายล้วะนั้นจะต้องคอยจยินดีเหล่งใสเป็นใจแต่เพุกอปฏิบัติหาจุดตสงบรวมโลไปถึอที่ใช้เงินนั้นแล่วเลยเกี่ยวข้องกับถาดกับขัน การเกิดกเปื่อเกิดเหนียเหนียวหัวตาตางมนมทางมาลอกลวนจิตใจถ้จิตใจอยู่อกเทศอยู่เฉพาะไม่ดเกาะเกี่ยวกับธาตุขันธ์ร่างกายอะไรมันใจจะวางใจหมดถมันเรียนอย่างนั้นเราจะหนักันสักกี่ชั่วโมงกี่วันควาเหนียวเหนียว่ัวมันไม่เกิดขึ้นคือมันเหนือยตางม่ได้คิดไปว่าเรื่งขนาดนี้ ถ้ามันไม่ถอดถอนกูนะเพราะอดถอนนะจากความเหยในมใหญ่แล้วใจเื่อนใสเยียเยนอตัวเห็นตัวจะคนอื่นไปเห็นตัวเย็นมันสงบมันยศรัทธาความเหียดใเยี่ยมส่ใหจะทำใหญ่แล้วมันมีในจิตในใจ อย่าเนื้อจิตใจเย็องอย่างนี้ทรับทางสาสนาถือว่าเป็นสมาธิคือจิตใจเย็นได้เย็นสบายจิตใจน่าสุ่มไปส่งจิตใจน่าเดียร์ยุิจิตใจอะรเสียใจจข้าวนั่นจะมีทางที่จะเย็นได้ถ้าจิตใจมีกำเนิงเกานจะพิจิตรจิาใจอะไรให้ใส่ใจทกเตือนนั่นก็ ที่จะละใกละจก่ไขคือถึงใจแข็งจิตนี้ให้ตกใจหมดใจหลุดใจใจจะเบลุกสบายเนี mm. ่ยที่จะละใม่เมากหดใจเนี่ยเมื่อเกิไขว่ไม่อีกก็ไม่จิดใจเรไม่อีกยรอการับแขงจุดใจ ยังการตกใจในเด็กพักผ่อนยังจะเด็กจะเลี้ยงตเลงจะพักผ่อนายเบี้ยงานของเราที่มีอยู่ยังจะหนึ่งปังเวียนาด้เพราะนั้นการพักข่อนกับการทะรเลนเป็นข hey. well, sure ู่กันไปแต่เดีอวีล you ส know, ัญาที่ปัญญาศีลไมะ่ต้องจะหาที่อื่นศีลมีอยู่กี่กายวายาชากายในเด็กท่านเชื่อวายใจในเด็กูด เสียหายอะไรมั้งแต่ทว่าเป็นศีลอยูอยแนะ่แล้วอย่างเราเน่ยเราเคยกายที่เราก็หรไปทํทำอะไรจิงที่เราเกไดจะรู้สึกถ้าเราเกิไดไปทำวายใจพี่เราเ่าไม่ไดพูดอะไรไม่ได้เสือเราเป็นศีลเป็นขี้อยู่แล้วแต่ไปคิดยกไปตามสัญญาราไปสั่งถูกไห เคยทามาหลาแล้วหลายถ่ายแล้วหลายถ่ายหยุดใจเลยอยู่ปกติไม่จะได้เป็นสีสีแหววปกติหรือหจิตใจทั้งตัวปกติจะไปจิกโยเกี่ยวกับอที่ผ่านมาเลยอดิบจุดรวมไม่ได้จุดนดไม่ได้คนทกควเกิดมาก็ต่งาทชื่อทันเสียผิดสีนดี๋ยเป็นธรรมดา แต่ใช่ไหมคับรักาจิตของเได้่กรเกี่ยวข้องกับเรื่องอดีตที่ผ่านมานได้เนัที่จย้ปนัอาาะอะไราจะอะไรมีอะไรที่จะเสียหายดหรือลุหัินยด ทำแการเลือกกำหดด ท, ที่เจนนะทำเต็ได้เต็หมหนึงง่งในจิตเครื่อลัเสร็ดเป็นสมาธิ ใ, ใัอเมื่อทัน้าจเ็นอ่เกี่ยวกับอารมสัญญาผิ่ผ่านานะเมื่อจะมีทางที่จะเข ย, ย, ย่าพลัวงวัดหยุดในเขย่าล้วัดหุดในมือเสมอทั้งสมาธิสัญญาที่จะที่เจนนะเต็ใบเให้ขาด ออกไปจากิากจื่อสารภาษาระเรื่องอะไรยิ่งเดือ้นหาแล้วังกัเลยท่าอกันเวลานานไาจะเป็นพันยาห้าสุจริจะถอคนเดี่ยมเขายิ่งเดือหายได้เราต้อให้จิตเราต่องใสจิตของเราเงยเดยไปต่อเงของเาดีอยู่แล้วไม่ได้สุอะได้ทอะไรอะไร พระพุตธาจ้สสาสอวเต้สาตสอนอย่างส อ, งอง น, นเองคมอนาลเเจนนอนจะขาดเาาเรานอจะเมียนพนพันแต่ถ้าเตามของตรากุทธเจ้าเ น, นา้ยทำในคิดไปในอดีตในการ ท, ทำมะดิบเท่ า, าเท็นใช่ไามหรือหัวนิเด่นชัดพรสายจับจับถัดไปเรื่อง เมื่อวาตสาแสั่นทาคือจะปล่อความจิตใจละเอียดสงบหายไปเป็นจิตของใจสงบจิตของใจสงบมือกาลังต่านะน้าิตวิญญาสะสมขเรงปัญหาจนเป็นอริยบุคคลในโลกหนเดือดแผ่นทเมื่อทำอย่าไปคิดไปในอดีตอย่าไปครดไปในอนาคตสงบอยู่ใไปัจจุบัน ทถูกพิจารณาถูกใช้จใช้ใจเท่ากถูกจิตเล่นการเฉลยมากงเฉลยนอยกว่าที่ใจนอะไรใครใจอย่านใสเน้นใจแต่งงานที่สงบเรแล้ก็สาหน้ามอใบหน้าองเราลืมไใ่ลือะไรได้ถือเป็นกระจกาได้งานที่บถือาใสแต่ไม่ก็เหยยบดูไม่เกิดมองู้าตาหมด แต่าตเดียวปัญญาขอถั่วใจถือ่มีปัญญาทัสงหรือปัญญาจรจะล้งใชเน่อจะขัดล่ความเสื่เสียใจโลกจะเลงออกไปแต่หลดจากจิตจใจของเขาได้แต่ปัญญาของขาเนียเป็นปัญญาถจะขัดล่ยเหล่ใหาออกจากใจได้ปัา ที่ม nh ีที่าทนหนุนเมือทุกคนเกิดมาในโลกนี้ทำหนุนเหเนี่ยท่านเราเแี่วอย่าง้าเม้าเราส่มนีใจเคียใจไปต่างๆนานาใช่ไหมเราึกปฏิบัติธรรมะหยุดใจสงบบ้าที่ใจมาทำหนุนเหลต่างๆนี้ให้ใสใจ ขณะคาเกณฑแล้วิตนั่นจะลจา่เจลาะจะถอนความยถือต่างๆเช่นรูเสียงกินรสต่างๆที่เราเคยจิตจิตอยากเป็นของของเราภายใที่เจล้วทำธรรมะเจนายไสัตย์จทำถือพระพุทธเจ้าสงสิ่งไรแล้วไม่ดูภัยนม่หอกตัวไม่เียมีความหยอะไร เรารักวราชอบมันมันก็อยู่ไว้หลังใส่ฝังกับเรามันเป็นมันมันก็มีอยู่อย่างนั้นนั่นเลยโกรธอะไรเราเป็นอยู่เขายกขโมยใครเลยเปี่ยตใจทั้งเราจะทำอะไรเดียวกันเราเลยมีอะไรที่อยากได้เป็นขอของเราผมควรรักแฟนหรือเอ็นกระดูกแต่มไมเหมือน เราจะรักษาถนนระยะขใหญ่เจ็ใจสจตอยเใจสจหเรอยู่เนมันไห้สขให้บาสุมันทลานสใจที่ใจเล่ย้าขันนั้นไม่จัเปลี่ยนอยู่ทุกยัทุกเวลานันลอยู่ในบังับบาของเราเราักมันจะไเหยักเขาป็นผู้สุดไร้เป็นหนื่อักเขา ชอบเขาอยากเขาเอยเราเยับรยู่พื่อเขามีการเียนไปอย่างไรกเียนไปอย่างนั้นุคกครู้คมอยู่ในังเเป็นเด็กตลอดเเป็นหนุ่มเป็นสาวลไม่อะไรเคยชอบเคยยินดีกับมันนนนเี่ยวอะไรทั้งหมด ตาตุ๊เลสายหวานองใดูอะไรดูแต่งเส้อวนในสมเป็นเด็กย่าเจ้ดูอะไรก่อนานมเห็นขนาชัจกะตัวมาอยากใ้เงินเคยส่งเคยไดย่่ก็เป็นใช้เห็นเดินดัก็เนกันนันก็วปคอื่้นอเเป็นต่งด้วยก่น อย่างใจยั้งใจเนื้อที่ในถาในถังมันเป็นไปอยู่อย่าง้วจิตใจก็เงเรานเมื่อเจ้ามาเปล่ยนธรรของเราเหลองไหลใส่ถงทำไมรัเป็นอย่างน้ทำนเป็นหญ่นี้เห็นปฏิสิทธเียนแล้วเห่ยงยาจะให้นดีมันดีเสียดีมีนดีเสีถ้าเราไม่ใช่เีถังก่องเข้าใจนี่มันเป็นศาสร์ธรรมเป็นอนุตตร คือจะเปลี่ไปเป่าผู้ใมันทุกข์งข่เหนื่อยกินเหลวเงยโกรกทุกข์ขึ้นถ้จิตของเราเหนื่ยเนื้อผิ่ของมันเป็นอย่างไรก็คอยจังใ้ญ่ลงไปช่วยแบบไหนเราเป็นไปแลกยอย่างไรจะฝากตามเหนื่อยให้มัน่ม่ไปรู้อะไรที่จะไม่ให้ทุกข์ใจจิตใจใจใชเราท่้งแต่ว่าการทุกข์เวทีใจเรานะเดืเกี่ยว จิตทมตที่จะตจเจียหายขาดไร้ความใจ้สใยสายสังความยึดมั่นถือมั่นใช้จิธให้หลุดออกไปตกออกไปอย่ามีทุกข์ทาไปทุกข์ของใจแล้มันจะเป็นธราเดาอย่าหยาทุกข์เรื่องไขันเรื่งไร้ทันเลยเป็นอย่างนี้ทุกข์ทางใจทุกข์ทางใจเพราะมีธรรมดยจิตในใจทั้งเัียเหนรู้ไม่ใ่ใจเม่สัจทะทันตอนเป็นจริงให้ อนัตตาอะไรทเราบอกเงินแขวนได้ในกายของเราม่เลยนี้มนบอกไม่ได้แวเลยได้ถาเป็นของขอเราทำามยังคาบไม่ได้ไม่เป็นอนัตตาก่อนของตก่าอนนี้มันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรใจใจทองเราไม่หลงในเรื่องหลนั้นไม่เป็นเกิดทุกข์เกิดโทษอยู่ในเรื่อ เนี world, humans, ่ยมีธรรมะชี้ที่จะละถอดขันตอนเป็นจยิงของมันใส่ใจชาติเปลี่ยนวะมันจะต่ให้มันจะวางข้างมันเดือดถอดขันเป็นอย่างรู้เข้าใจตอนเดือดของถาดขันจะคือไปรู้ถาดขันเลยเป็นไปตามเดือดของถาดขันร้ไหมม่อริจัยความจเปลี่ยนดู้ไหมมีภูเขาควานเป็นภูกขาด้วยไหมเป็นอนัสตาดีไหม จะแทะจะ้ขใจเหย่อจ้าเอาเพื่อปฏิบัติและทางสาส์นแฉเพื่อเพื่อปฏิบัติอยู้จะไข่ใจเดดเจ้าข้าวเจาเองเื่ดแทะดาผาดแั็งเป็นอนุตตรทุกขาอนัตตาข้าผาดแข็งข้าวเจ้าเที่ยวถึงไหนเมื่อผาดแข็งของคนอื่นศัตรูในอดีตที่ผ่านมาอนาคตยดงไม่ถึงก่อนต มันเหลือนกันหมดสะอาดแข็งตัวเป็นของถือแต่ตีกรีนของกรกไม่มีอะไรที่จะหนาันาดใยินงดีหรือเป่ีหลายหลาหลายเอ็นหลกระดูกเป็นไปดวของสกะตกเท่าไถ้าสิ่งที่เราทายถอยเท่ากันกบของสกะตกถูกเสียขนาเท่เรกจะไปซักไปเสืกอออกไ คือใส่คือนอนคือนอนก็ใสต่าตัดกัดทะยะหลายไม่อย่างเลยก็เล่นเลยได้นอนเลยได้พราะเป็นไสกอาหารที่เราทาน้ไปทกวันนี้เป็นไส้สกใช่ๆของะอาดเก็บเอาไว้รันสองวันถึงไม่จะส่งกลิ่นซึ่งหอมไม่จะได้อยู่มากินกันไม่เกิดข้อหอมอะไรเป็นไ้เหลียวเข้มเห้มเคี้ยวผัดหันข้งเรา ทุกท่ก็เป็นอย่างี้ราได้ม า, าจากใครบอกใครอย่างาของตระกู ล, ถ, ลถ้าเราใจลอยอ่างนี้ารตระนีนักยดีลอยเลี้ยวลึกตสัส่แล้วก็ไข่มีทายที่จะเขียนลงไปหายลยายางปไปเพาขใจตามจริงๆที่มันมีคือกัญญาที่จะถัดไล่ ราถ้าไปหาความรยินดีในิตนใจแต่เมือสยใญแล้วเงินใหญ่ในสิ่งกเกะถพิจาลาเห็นว่เป็นของอสุภะอสุภัยเป็นของหลทยวหรติกเกหรือของหลเที่ยวใดๆไขใจชัดเจนในจิตในใจไม่จะเลยยึดเดืถือัวท่องของเราอย่างไรคนอื่นสัตว์อื่นไม่ต้องหยเบหรือทางบัตทางที่พิจารณาต้องลใจใช้ตัว เดือดถาขนที่มีอยู่ใลตัวหรือหลหัวหัวถนอมนี้รักษาถนางนี้ล้วก็ยังเป็นไข้เล็กไข้หนึ่งยัเป็นไข้สุกิณียัมันขับดรรชาเลยบ้าเวลามันเจ็บจะไข่ก็เจ็บก็ไขาเวลาเันแย่ก็แย่ยตไยตายอยูอท่ที้มันงงเช่นแบบทักใส่แทงใส่ของภายในมัก็ทะเลยก้มาเราจะไปยุดหนึ่งทื่หนง ไม่ได้เราจากไม่รู่กว่าจากเราไปไม่ม้ใครที่จะนีกรรมสิทธิ์อสิที่์พิเศษท่จะิดเอาได้ถือไอาได้เราไม่อย่างไรเราไปอย่างนั้เมื่อเรามาเ็มาเสือต่ำไม่มีอะไรจิดเสือมาเสือผาตัวนไม่มีเาข้องเงนเท่ากสือไมีเอเราตั้งเท่ากันท้งนี้เขาจะทำอะไรอะไรเสร็จได้เสียก็ถึงต่อช้า ถึีเขาแล้วก็เอาใจดีได้เอาเรื่อใส่ปากให้เวลาเขาไปเรียนเล้นก็เล่อยู่ในกองจานกอนไถ่เนี่ยไม่ได้เอาอะไรจิดตัวไปนี่ทางปากแฉทางใจแฉทางสอนเห็่าเหตุใจตามตปนอยู่อย่าไปสอนคนหล่นเหนื่อยเสเพลนทาไหนที่พี่พี่แก แกทำงานสอนใจมันเ่อมันเลือตัวเหลื่ออะไรอะไรจะยาห่อะไรจะเอ่อเป็นของเท่าไรไล้ใจยิงเหวี่ยงเหี่ยงยิ่งย็บยิ่งถือเท่าไรจิตใจก็เกิดทุกข์เท่า้นถาเหี่ยเหวลาภก็ว่าเทาไจิตใจมันเบามันสบายเหดไอย่างไรที่เราผลออกไปใครจะเหยียดอย่างเทลาอย่างไรเ้่าไรเดีวเหี่ยเหวเราจะเกิดทุกข์เกิดทุกข์กไม แต่เป็นสิ่ที่เราหูห่วงคนไปแต่ต่อไม่ได้จะเกิดความทุกข์ขึ้นในจิตลนใจความทุกขใใจคือความยึดถือความหูห่วงเราหูหวงอะไรหูห่วงว่าได้อะไรจากการหูหวงยึดถือในตัวนอกจากทุกข์นอกจากที่เจ้าลม่เข้าใจขนาดชัดเจนในตัวเขาตัวเองแล้วนอกจากละจะถอนเลื่องเข้ามันไป แต่นั่นการภาวการทำร้กิเลสเป็นหน้าที่ของทุกคนในชาิเป็นหน้าที่ของพระของเงินแถวนั้นถ้าเรามีกิเลสปัญหาแล้วเหน่อยทารจิตใจก็เกิดทุกขเกิดทุกข์แถวน้ทำไ้ปจิตใจก็เบาก็่าสบายก่อภาวนาไร้กิเลสเป็นหน้ที่ของทกคนสี่ต่อการความฝึกความสบายภายในใจ เหนื่อยปัญหาไหนเรื่องอะไก็ยว่าโนโกงายถจควรละมันออกไปเหนื่อยอดเหนื่ที่ใจนะใจเพื่อถตัวของตัวเถอะนะเข้าใจขนาดชัดเจนทุกสิ่งทุ่ตามเป็นจิงครมันโลกอันนี้จะมีอะไรที่จะเลียงไหล ในนี้อะไรถึงจะติดข้าอีกเพาิดใจเ้าเรื่องของตัวเถอนทืออดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรอะาคตยังเถึงเป็นอย่างไรเขใจเหือนแต่นเพาะจิตแต่ก่อนนึ้นเรียนเสรอย่างไรเรียเว้นจริงอย่างไรในวิทยาศัสตร์หแล้วก็ระเจาศสอนอดีตอนาคตไม่ต้องห่วปัญหา หนีเหี ừ, ừ, ừ, ่ยว่าเราไปิูมีแจงหน่งคจะไปชมไปดูปเถือนนี่เป็นใหญ่นี่ไปเถื่วนี่เป็นใหญ่โยกพระคันเป็นใหญ่นี่พระอัคารเป็นใหญ่ไปเถอะไปที่ไหนทางไหนชำระใจเท่าเตี้ยหัวบริสุทแล้วไม่จะเหนื่อยดีเลต้องจะมีวที่จะแห่สงสัยไปดูที่ไหนกว่ามแต่ชำระจิตใจตังเรา ใจใจถืออดทานจริงใจแล้วมันรูเทื่วใจใจถือเป็นโลกวิถีแจ้ห้เจ้าหลุดสบายใาหลุดแ้วมีอะไรที่อยากเจ้าใสอดีอนาคตครบชา้ิเท่าไหร่จะเป็นอย่างไรแล้วก็หน่อยเจ้าใสความรู้ส์เป็นอย่างไรล้วทราบอยู่ล้วเล็อทพัอยู่ที่ไหนแล้วใจทราบคือการดับวิริ ออกจากิตจากใจหมเปล่าเหนื่อยแล้วแล้วถ้าอยากจะไปไหมอยากจะไปทระนิานนั่นก็ไยากเพราะนันเห็นแล้แค่แคบเนอยู่ความบริสุทธิ์นั่นะเป็นนิพพานเลยอยู่บน่อจ้อากาศที่ไหนหายใจในบริสุทธิไปที่ไหนสเป็นหมดดาวเทนได้ที่ไหนก็ไปเถอะในน้ทานเห็นถ้าหากเรา่ปฏิบัต คนแรกที่เด็เอาหมดแล้วนั่เห็นมาจากภัพเดียวกันในจิตในใจคามคิดไม่อยากไปจะไปที่ไหนล่ะถ้าคนี้จะไปที่ไหนพอเห็นแล้วจะไปหาที่ไหนจิตใจเขาคือคืเห็นที่หนึ่งเป็นแห่อะไรทุกรยันสมาจิตใจกับพิษปฏิบัตูอัิชฌิตรขั้นการกับพิษปฏิบัต แต่เ่อเราจะมีฝนมาเต็นอย่างนั้นก็อุตส่าหพยายามทาากนไปฝึกกันไปปฏิบัติกันไปเราปฏิบัติในหยุดไม่ถอยเดินยดไม่ถอยนก็มีแรงถึงได้จิหมายปลายทางที่เราต้องไแต่เล้วในเดินอยากจถึงแล้นมันเกาะเป็นไปไม่ได้าำมันผิดแต่มีเหตุผมเลยเกิดขึ้น อยู่เราทำอยู่ทุกวันทุกเลวลาสลญญอยู่เรื่อยๆจิตใจที่เป็นภัยันตรายอย่างอาจทําเกิดขึ้นในเวลาใดต่อเ่อนเราบบไปอย่เบียดทำเบดเสรษฐีปัญญาข้าตัวอย่างพวงงแล้วเ <c oughs> ลยไปจากใจราจาจแล้วมันไปจากใจ่าใจนี่คิดเยกกอะก่อนย ดูเสียก่อนม่นไปทงเลยได้มันไปเพษ่อเลยได้ใจเป็นเป็นเหลือนชั้นคันทะเยอเมโลผุดภัยสมาธิมาเมโลเสดผานันมายาคือทำเท่างหล่ในใจถึงก่อนใจคิดเสียก่อนจึงไปเพืจึงไปทาใจเป็นหัวแรกใจเประยบเสดสุดไม่มีอะไรที่จะเปรียบเท่ารับใจ ใจเป็นเรื่งสำคัญคนในโลกมันสำคนญอยู่สี่ใจายแล้วไม่สำคัญเท่าไรถ้าใจเชื่อใจเสีย เ, เสีอย่างใช่ไหมหยุดหลังใจเถอะเสียยงไงขนาดไหนก็ไม่มีใครสนใจ้าใจมันเชั่อมันเสียง่ายเปล่าแต่ใจเสือปากเป็นทรรมหัวใจเป็นยักเขาไห เหรับเลี่ยมใส่แหนะายีเข้ยงแหลอเหลาเ่อใจเป็นดักเป็นมางไปที้ครจะจะทำร้ายใครจะจะตาหักตาหายไหวเนื้อเข่อใจอะไรเลยได้คนแบบนั้นก็ไม่มีใครยอมเทื่อชอบกันขวดดีเจอเวลา ทำในเรื่องกับทาสุขของตัวมี่คือตากเป็นทํามเพื่อใจจนยัมันมีในโลกอันนี้มันเป็นสุขเป็นพาสิิ์เอาไว้ให้พวกเราที่รู้ที่เจรีกกันเจรว่าเกิดดีว่าจิตใจมันจะยิจะยิเสพเนื้อายงเียลอยหล่อลอแล้วจิตใจมันจะเจนไปตายเหยื่อของเนื้อตายอย่างนี้มเป็นย มนุยลายเดิเสียลายนวดข้มมองเห็นได้เสียโค้งเราควรรู้จัลามันบอกเสีเหลืองเสียได้เราวก็ู้จักายมันบอกแต่มนุษยลไม่เต็มอย่างลามันอยู่นึกอยู่ในจิตในใจอย่าอยู่เด็กชายที่เจ้าหน้เด็อัดเด็กทานกินใจยิ่งจะสาวบางคนไหวเต็อย่างราจำแนงหาใจคบดีแถวนี้จิตวิาน ใช่นหมหล่หลยอสวยงามติแตาใจมันดีมีอัฐมีธรรมสัขสุจริตเชี่ยวราญก็เป็นที่มีเยนเช่นชอบคนที่อยู่ใกล้ิกับเขาก็ด้ความสุขความสบายเขาดีเขามีอัฐมีธรรในตัวมยเหงื่อของคนมันดูด้ะมีนดู เกี่ยว้าวสิ่งของใครเน่ยต้ดูที่จิดที่การฝึกจิตอใจนเป็นเรื่องสำคัเป็นเรื่องจ้าจะมีอายุเสหมใครฝึกใครปฏิบัติบ้าคนเล้นเด็นคนเล่นสงบคนนสบายจะเป็นภัยอันตราย่กตัวเองและคนอื่นเป็นหนักที่ตองเสเราทุกคนจะศึกษาไปเพื่อปฏิบัติ้่ไล อปปจากพบข่าวอย่างไรหนักที่จะเกิดยิ้มยิ้มคุณในจิตในใจลนปัจจุบันทางตาจะยิ้มจะทามโนเพนเป็นงานความดีเดชัยเพราะคงานความดีตัวสะสมเอาไว้จะเป็นเพ่อนสองของเราคนอุโมงติดตาเราหน่อกัดกังคือการกตะทำของตัวหงจะติดตาเราไป เชื่อแล้วไงชมความดีงามหาคามดีจะเชเสียงแต่เราพือย AH ืหรือไหเป็นสิต่อเสีทีอยากจะเสดมีความสุขความสบายจะต้องอาศัยตามดีเชื่อกมรภูมิให้ไปเสดตารเชื่อข้ายีคือเป็นบ้าไป่ี่ช่วหอเช่เสร็จแลต่อจ ที่ในต่างๆแถลงหน่อยมัก็บังคับเหตุการณ์เหตุนั้นคนเราทีเกินมายิ่ิดแปกแตกต่าันใครเล่าจิดในป่าแถลงในร่างกายเสียสุดวันนี้ใครล่าในป่าแถลงถนัดเข่าของใครเลาในปาแถลงเศรษปัญญาที่ดีที่ยู่งใหญคนทุกคนปลาแถลง จะเป็นคนเจนคนเราจะปากแหลแต่เทาหัวเหยดได้มันจึงเป็นไปต่างๆเลยลนะบคนก็อดอยากยากจน า, านนจ้งจกใสด้เกล็ดยาคอากเท้าข้าตัวบางคนก็ล เ, เลียงจนยิน้ไม่หัวหาผัวสูงน น, น, นียงแเ่ไรก็เป็นเหยื่อเหยื่อไปได้ทำไมนผิดกันอย่างนี้นขนาด เขาเท้ายแล้วบาคนก็เส้นแต่าก็คิดวีีวยอะกินทำมัเป็นหญ่เขาตเน่ยเพาะไม่้างกาอ่เหยียได้มันเป็นไปได้ก็เพราะกานมีดาลาที่เขาต่อการเนี่ยเหเป็นอย่าึงเฉลี่ยต่างๆนานาเยอะกว่าใสจะตีปัญญาเรื่รรงาย ทบกไลฟ์ค uh, so ืเป็นผ่าแะขงเขาเขาตายไปลก่วย่งวัยชาย้ายไปลกทดีเลือจิตปัญญาเดลายสเสียสิ่งงดงาน่ากลาถแหลเท่านั้นแต่มันเป็นใจเหนื่อยเท่ากับความขังสัตว์อยวแล้วถ้าบอย่างนี้ทศชาติให้เราอย่าต่อไปล้วจะสร้างกรรดีเอาไว้กันดีนั่แหละจะสำเเสมอ หกปเสดเลยสถานที่ด to ีถึงจะได้วอเหื่อหอบหายสมัติแม่ก่อเท้าหาไปเสดเป็นสถานที่ดีได้แต่ควรที่ดีก่อสายแม่ที่จะมีสาบัติสายแม่ที่จะมีทางเหตุการศึกาแสวงหาสมบัติเสดเดือดสด้หอบแของไล่สาบัติเด้วนใดจมีเยอกว่ ให้คนในใจเหาคนอื่นเมาะองหเขาถือเสเหนื่อยนั่แต่ถ้าการเชื่ออเมเใจใส่ตกไปเลยทางเสือทเสียอ่ะจะเสดจะไปเสเลยจะเรียนที่ต่างอดอก็จะไเรียนะไปเรียนสาอะไรไดเนี่ยแคร์เลยจะนีอะไรที่จเสียเสียจะสาอะไรเรียน การเอนด่าไยาวก็เอ็นดเอยไปไม่ร้อะไรเลเนี่ยเด่มาราใหยุดที่บ่าเขาสิเพราะถ้าเนี่ยปเอด่างยาวชนอย่นี้มันเป็นตัหน้าถ้าเขาเป็นปากแะมีตันขั้วเขาเขาถสงแล้วพักมเนหตุใครมีอย่เขาตันทางสายแฉะทางแสงแบบมีตันเป็นเขาขั้วมีตันเป็นผีเหตุผมีตันเป็ด้านเกิด ในการเป็นผูตจิตาจมันเป็นใจได้้าหากเราคิดใจมาเราทมน่ะหลังใจอยู่สมันใจเนื้อการเสีดเสียตายตายเราขอละเล้นไปเพรเหตุใดก็เราทำก็ดีพูดก็ดีคิดก็ดีในทางเสียทางเสียนั้นมันเป็นกรนมคยอใจว่ากรราว่าใจอะไรกี่กามไม่ได้ต่งหนึ่งเราทำเราพูดเราคิ อย่างเชือบงนี้การเชือดจะผัดดันเวลาไปเก็บยมล็ดธานตัวเชือดเราต้องการนีถ้เรต้องกาก็เป็นเชือดจะไปทำไปผุดไปคิดมันจะมีจิตมีปัญญาสอนใจหักห่างใจเอาไว้ยไปแตะแต่งทางเชือดทางเสียั่งเดชเป็นงานทดีเหลื่อยไปอย่าละลึกลึกเหนือไปอย่าทำดีส่วนนั้นเด็ทำเอาไว้ ใ้มันก็เย็นใจมันก็สบายคุณจะมีภบชาดต่อไปเราก็ไม่ผิดอย่างในที่เราในที่เราจะเป็นเถื่อจะเป็นมนุษกก่อามเป็นเื่อนเป็นเถือที่ี่ดาก่อตามจะด้ในใจท่องเที่ยวจได้ไปด้ที่อื่นเพราะามดูตัวเปล่เสมไว้แล้วมันแสดงออกจะเปเ่จะเป็นแล้วสานเป็นเถื่ปนเถื่ายเล็นแล้วดูในใจท่องเที่ยวอีกใเป็นเสื่อเสียเป็นเลือดล้ว แผดเผาเป็นพอดูได้รลขาดนั่นเลยจะออกไปจากที่อื่นออกจากใจควาหนดที่เหยิงปัญหาก็ทำลายเยาะกันนั่นดีเจใจของเราของเราของเราหมดแล้วโกหกผลพันธุพหานใจสั่งเราจหน่งไปเผาพอเราสึกแล้วหมดยาญหมดเยอจนจะห้เกิดล จะเปน้าเปลียนเี่ไหนจะตาเถอแล้วเกิดขึ้นอีกแล้่อก่าข้าวอย่างเราส่ฝึกเร่องหวังไปเลยเ้นะวิที่ไหนจตายถ้าผมมันจะอำนรยให้ขนาดไหนเมื่กวเกิดขึ้นเลยได้เมื่อ้าเราฝึกแล้วด้วยฐาาจิตใจที่เราหน่ทวเยอนลาตาสางแอบเผาด้วตปะทำด้วยจิตใจญาตัทาความเชื่อจริงไปแล้วมันหมดเดยจะ และจะบรรเทมจะมีอะไรอีก